เช้าวันหนึ่งท่านพระภูมิชะเข้าไปที่ยังที่ประทับของชยเสษ ร, ร, ราชกุมารนั่งเหนืออัสนะที่ปู่ลาดไว้ชยเสษ ร, ร, ราชกุมารกล่าวว่าบุคคลจะทําความหวังหรือไม่ก็ตามปราพฤษพรหมจันท ร, ร์ก็ไม่ควรจะบรรลุผลได้ท่านพระภูมิชะอู่นตอบว่าท่านไม่ได้ฟังมาจากพระผู้มีพระภาค แต่ก็เชื่อว่าจะส่งตอบว่าไม่สําคัญที่ทําความหวังหรือไม่ทําถ้าประพุทธพรมอาจารย์โดยไม่แยบคายคืออะโยนิโสก็ไม่ควรบรรลุผลแต่ถ้าประพฤติพรมอาจารย์โดยแยบคายก็ควรบรรลุผลได้ราชกุมารกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นศาสนาของท่าน